ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ท่านจะผ่านเข้าไปสู่โลกทิพ5หปีท่านผู้นี้มีชื่อว่ามองซินยอโรเบิร์ธฮิวเบนสันเป็นบุตรของท่านเอ็ดเวิร์ดไวท์เบนสันผู้มีตำแหน่งเป็นท่านอาร์บีชอปน่าจะเทียบเท่าพระราชาคณะหรือสมเด็จชั้นเจ้าคณะแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์ก่อนในระยะแรกก่อนข้าพเจ้าจะได้จดบันทึกเรื่องนี้ลงนั้น